ครูบาอาจารย์เรียกศาสนิกขออนุญาตแสดงธรรมให้หลง่พอพิจารณตอนลกทั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสดีอาตมาเรใช้คำว่าหลวงพ่อไแลนน้วนะครับกล้ชิกไ ป, ปนหน่อยอา ต, ตมาโอาตมาครับวิทางตัวอื่นเยวันนี้เป็นโอกาสดีหลวงพ่อในบ้านเชียงใหม่อยากจะเอาธรรมมาคืในให้คนเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ยีสกว่าปี เราเรียนธรรมะจากครูบาอาจารย์ทยยั้งเชียงใหม่นี่ยังครูบาอาจารย์อยู่หลายองค์ที่เป็นหลักเลยคือหลวงปู่สิงห์นี่ท่านเสียอยู่หลายปีแล้วพวกเราบางคนไม่รนนู้จักแหลนแต่ได้ตั้งขึ้นมาเชียงใหม่ทุก ป, ปีนะเรียนธรรมะกับท่านองคงหนึ่งกท่านจอบุญจารหรือธรรมปาเพื่อก็อาจารย์ตองอินพาสันติธรรมาเรียนจากครูบาอาจารย์ทังนี้หลายอง ในเดิมโรเรียนอาจารยา์ครูบาอาจารย์พิสานทภาษาเดียวกันทาาน่านาษาครูบาอาจารย์บบ่าการที่เราเขเรียนธรรมะจากครูบาอาจารย์จนวนมากเียแต่ครูบาอาจารย์หลายสิบงน อ, นองค์สมัยน่นตะเวนครูบาอาจารย์ที่ดีๆองค์ไหนมีชื่อเสียงขึ้นมาไม่ใช่ไต่็ชื่อเสียงหรอกตะเวนเพราว่าได้ข่าวว่าท่านปฏิบัติทีปฏิบัติตชอบมาเทีย่ยวทะเวนไปหา ไม่เฉพาะอยสายวัดปาสายยืดๆก็ไปหาสายหลวงพเทียนเราก็เทียนอะไรย่เย ง, งเยหลวงพ่อก็เข้าไปสายท่านอาจารย์พุทธค่าก็เข้าไปการที่ได้เที่ยวศึกษาธรรมะหลายๆที่ได้พบความจริงข้อนั่นก็คือครูอาจารย์ที่ท่านดีท่านทีน่เศษจริงๆ น, นท่านสอนธรรมะเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยสอนเป็นเดียวกันโดยสํานวนโมหานโดยศิลปะในการสอน อาจจะแตก ต, ต่างกันสํานวนโมหานภาษาองคแต่ละองค์แต่ละองค์ะงจะไม่ค่อยเหมือนกันอย่างบางองอค์ ท, ค ท, ออนทน่นสอนบอกว่าภพผู้รู้ทำลายผู้รู้ภพจิตทำลายจิตจนถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงในหลวงปู่ดูลย์สอนเลยไอ้การาบหลกงูล่าที่ปู่เจ้าก็อนนั่นก็สอนดีนะครับนีนพพานไม่ใช่ผู้รู้ถ้าผู้รู้ไปจนไม่มีที่กำหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือน แต่โดยภาษาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเหมือนกันสักคำเดียวเลยแต่โดยสภ า, าวธรรมเป็นอนันเดียวนะครูาอาจารย์ทุกๆองค์ไม่ว่าองค์ไหนก็ตามที่สอนนะถ้าจะย้ำลงมาที่ฟังมีสติไม่มีองค์ไหนเลยที่สอนบอกว่าอย่ยาอย่ามีสติตั้งแต่ต้องมีสติไม่ว่าจะฝึกด้วยวิธีใดกันสิน้นจะฝึกในแนวพุโทโธแนวคองยุคแนวทำจังหวะอย่างหลวงพ่ทเทียน รู้อี่อารมณ์สีอะไรก็ตามเกิดอไม่ว่าจะฝึกด้วยวิธีใดสิ่งที่ต้องมีเหมือนกันหมดเลยคือความมีสติก็เราได้ยินคําว่าสติมานานนะบางทีตามถนนก็เห็นมีป้ายมีคัาเอากินสุราหรื่มสุราล้วขาดสติและสติโลกโลกหรอกว่าสติสติเราได้ยินมาจนคุ้นเคยความจริงคนในโลกไม่มีสติหรอกสติในความหมาย ของ น, าานัปฏิบัติเลยนะคือความระลึกได้คือความมีอยู่ของกายของใจตัวเองพรากเรารู้สึกไหมว่าในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านมาเรารู้สึกกายรู้สึกใจของตั ว, ตวเองเนี้น้อยที่สุดเราลืมกายลยืมใจตัวเองนีบ่อยที่สุดเราดืมนานเลยเกิแต่ตั้งแต่ตื่นนอนนะก็ตื่นนอนแล้วก็เริ่มคิดแล้วอย่างเราเป็นข้าราชการ ตื่นนอนมัความนึกได้ว่าวันนี้วันจนันทร์ใจอาจจะเกิดความรู้สึกขี้เกียจใช่ไหมว่าจะเป็นเรื่องเอื่นนะแต่ใจเกิดความขี้เกียจเนี่ยมอไม่เห็นไม่ได้ดูนะวันอังคารเนี่ยขี้เกียจมากเลยวันพุธเนี่ยสดเซ็งวันพฤหัสเนะี่ยเริ่มมีความสุขเนะี่ยก็คลาสบอลอีพานเรื่องยิ้มแล้ววันศุกร์นะมีความสุขมากตื่นนอนขึ้มนมาคิดว่าวันนี้วันศุกร์หรือว่าเป็นวันวีแกนนะโอ้ยมีความสุขมากเลย เราก็จะคิดเลยว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เราจะไปเที่ยวไหนหรือวันนี้วันศุกร์เนี่ยเรื่องงานแล้วเรื่องอะไรไปที่ไหนกลางวันจะชวนเพื่อนไปกินข้าวที่ไหนตอนบ่ายจะได้หนีงานอะไรเน่ใจเราจะคอยคิดถึงเรื่องสิ่งอื่นๆไปเรื่อยๆเราจะลืมตัวเองตลอดเวลาไลยในโลกนี้ไม่มีความรู้สึกตัวในโลกมีแต่คนหลงลืมกายลืมใจตลอดเวลาเรามีร่างกายแต่เราไม่เคยคิดถึงมัน เรามีจิตใจกั่เราไม่เคยคิดถึงมันอันนี้เรียกว่าขาดสติเราลองนาดใจของเราดูจริงอย่างที่หลวงพ่อบอกไหมวันวันหนึ่งนี่ยเรารู้สึกกายรู้สึกใจน้อยเต็มทีเราก็าจะรู้เรื่องอื่นนะรู้สึกอื่นความสนใจของเรา น, นจะออกนอกตลอดเวลาสนใจไปหมดเลยมีข่าวสารบ้านเมืองมีข่าวนอกประเทศนะจนไปถึงเขาเขาไปดูดาวตามตาม่ตางๆแล้วนะเรารู้ไปหมดนะ แต่เราไม่สนใจที่จะรู้จักตัวเองเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้โยกเว้นตัวเองตัวนี้เป็นควาหอาภักที่สุดเลยของคนทั้งหลายของสตัตว์ทั้งหลายคือมันไม่รู้จักตัวเองถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมจริงๆนะเราค่อยมีสติขึ้นมาเราเ้่ารู้สึกตัวเองให้ได้อยาใจลอยใครรู้จักคาว่าใจ่อยมานมีไหมไม่มีใครรู้จักเลย อา้าวใครไม่รู้จักคำว่าใจลอยวะเยออันนี้เป็นมัฒนาธรรมไทยนะไม่ยกเว้นะ <c oughs> ในความเป็นจริงนะ <c oughs> พวกเราใจลอยทั้งวันเวลาที่เราใจลอยแล้วเราไปคิดเรื่องโน้นเราไปคิดเรื่องนี้เราลืมตัวเราเองนึกออกไหมเวลาใจลอยเราอยู่คิดเรื่องร้อนคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วลืมกายลืมใจเรอกเมื่อได้ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเมื่อได้เรียกขาดสติวะเพราะฉะนั้นทั้งหวันขาดสติ จะเป็นยังไงที่เราต้องมีสติถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆแล้วเราต้องมีสติถ้าอยากได้มากุลนิพพานจริงๆต้องมีสติถ้าขาดสติซะ อ, อย่างเดียวเนี่ยอย่ามาพูดเลยเรื่องจะเอามากุลนิพพานสวดมนต์ปาปาแล้วทาบุญใสปากไปแล้วมาอธิษฐานแล้วนิพพานปัจโยตุไม่ได้หรอกถ้าอยากจะได้มากุลนิพพานจริงๆแลต้องเจริญสติให้ได้ การที่เราจ ะ, จะเจริญสตินะต้องคายรู้สึกกายรู้สึกใจอเอาเต้นไปนะ <S <S รู้สึกว่าวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือความเป็นไตร ล, ลักษให้เคยได้ยินมาว่าไตรลักษณ์เระเทมาเยอะแล้วไม่เคยได้ยินที่อาภัพเลยนะไตรลักษก็คือลักษณะความเป็นจริงของสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายคือกายใจเรารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนี่ คว<บ>ามจริงของมันคือไม่เที่ยงความจริงของมันคือทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้อยู่ไม่ได้ตลอดอย่างร่างกายเราอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายไปนี่คือความจริงความจริงของจิตใจหรือของร่างกายอีกอันหนึ่งก็คือไม่ใช่ตเราเป็นนัตตาแต่ความจริงก็คืออนิจจังทุกข์ของอนัตตาความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นภูมิของว่าทุกคือทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดทนอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นดับเกิดว่าดับดังซึ้น ที่เกิดระดับแสดงว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนฐานวรหรืออนัตตาเนื่องจากความจริงถ้าเรา ห, หัดมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองเมื่าเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือการ ใ, ใจ็นใจนพูดภาษาไทยไ ง, ง่ายๆพูดภาษาบาลีคือรูปนามเรีร น, นรู้รูปธรรมธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเรียนรู้จนกระทั่งเห็นความจริงเห็นความจริงว่าจริงๆแล้วไม่มีตัวเรา ถ้ามันไม่มีตัวเราใครจะทุกข์ล่ระรูปธรรมนามธรรเป็นทุกข์นั้นตัวอยู่ไม่ได้แต่ไม่มีเราก็เป็นทุกข์ในเรื่องภาวนาเนี่ยนะาการภาวนาการปฏิบัติธรรมเนี่ยจุดหมายปลายทางนั้นเราจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราสุดท้ายกลายทางที่แท้จริงเลยก็คือเราจะถอดถอนความยึดถือในสิ่งซึ่งเคยเห็นว่าเป็นตัวเรา ถ้าอะไรเราถอดถอนความยึดถือในการในใจได้มันจะไม่ยึดกายยึดใจมันจะไม่ยึดอะไรในโลกอีกเพราะสิ่งที่เรายึดถือเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดแล้วก็คือกายนี้ใจนี้นั่นเองการที่เรายึดถือกายยึดถือใจว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันมนาความทุกข์มาให้เหยี่ยงแสนส า, าหเพราะร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่เชี้ยงเป็นรูปเป็นร่างฐามีได้ความแปลกวนบังคับไม่ได้เราอยากให้ระมีความสบตาวร จิตใจเราก็อยากให้สงบถาวรร่างกายเราก็อยากให้แข็งแรงถาวรเป็นนมเป็นสาวถาวรเลยความจริงมันไม่เป็นนะเพราะมันแก่เรายอมรับความจริงไม่ได้เราประทุกสิทุกเพราะมันแก่ร่างกายมันเจ็บไข้เรายอมรับความจริงไม่ได้เราประทุกเพราะร่างกายเจ็บไข้ร่างกายจะตายเรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็ทุกเพราะมันจะตายนี่เรายอมรับความจริงไม่ได้นะความทุกข์ทางใจถึงเกิดขึ้นถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตได้ ความทุกข์ทางใจมัจะหายไปการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อให้จิตใจเราได้รู้ความจริงของชีวิตรู้ความจริงของชีวิตเลยชีวิตนี้เึรื่งประกอบด้วยกายและใจเนี่ยเป็นของไม่เชื่ยงเป็ของตนอยู่ไม่ได้เป็นของวัคคับไม่ได้จริงอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปกระทั <Okay. S 1> ่งทางจิตใจไม่เฉพาะร่างกายนะที่เกิดแล้วระดับจิตใจเองก็เกิดแล้วระดับจิตใจเดี๋ยวก็มีความสุขมีความสุขแล้วก็หายไป แต่เป <elet> ็นจ <ati> ิตใจที่มีความทุกข์จิตใจที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอาจจะเป็นจิตใจที่เฉยๆขึ้นมาจิตใจเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอาจะทุกข์ขึ้นมาอีกก็ได้จะสุขขึ้นมาก็ได้นะแปลีวนตลอดเวลาเลยไม่มีนะจิตใจที่มีความสุขถาวรของคนในโลกไม่มีมีแต่ความแปรปลี่ยนตลอดเวลานี่พวกเราฝ่ายฝันเราอยากมีความสุขถาวรอย่าให้จิตเนี้ยมีความสุขถาวรจิตมีความสงบถาวร ความว่าถานไม่มีแล้วมันจะเปลี่นแปลตลอดเวลาถ้าเรายอมรับความจริงตัวนี้ไม่ได้เรารุ่มใจทุกวันไปนั่งสมาธินะพยายามทำสมาธิให้จิตสงบ ก, ก็ดีเหมือนกันดีแบบสมถะจิตนะสงบได้อีกวันเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านไดอีกแหละแั้ถ้าเรากาวนาเราเอาแค่สมถะนะทำความสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านโุ้งร้างแล้วก็มาทาความสงบ อ, อีพีดีชาติทุวันเดือนอย่างนี้เท่านี้ไม่พอ ต้องเจริญปัญญาให้ได้เจริญปัญญาคือเรียนรู้ความจิตเห็นไหมจิตใจที่ว่ามีความสุขมันสุขชั่วคราวแล้วมันก็ไม่สุขละมันสมงบมันก็สงบชั่วคราวแล้วมันก็ไม่สงบละมันดีมันก็ดีชั่วคราวมันชั่วมันก็ชั่วชั่วคราวใครเคยปวดนานๆหลายๆวันมีไหมพอดืมไปว่าที่นี่ไม่นจกมือเป็นเห่ือนนักดนตรีนั่งแย่งกับจกเลยชับรีเซนเฟส แต่ทนเรื kidneys, <mel> ่องเียบร้อยเราเรียกว่าความโกรธเราอยู่ได้นานๆไม่จริงความโลภอยู่นานๆไม่จริงประอยู่ในขาะขณะอย่างเวลาเราคิดถึงคนเหยืนี้เกิดคิดแล้วไอ้นี่ร้ายเเกิดความโกรธเดี๋ยวเกิดขึ้นเพราะเราหันไปเห็นคนที่เรารักเดินมาเราลืมคิดถึงไอ้คนที่เราโกรธความโกรธก็ดับไปไอ้แม้กระทั่งจิตที่โกรธนะเขาไม่เที่ยน จิตที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงจิตที่มีความรักก็ไม่เที่ยงนะจิตที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงะจิตที่ร้อนจิตอย่างนี้มีแต่ของไม่เที่ยงนี่แหละเราค่อยมาเรียนรู้ความจริงในกายในใจของเราเองเรื่อยไปคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจ้เรื่อยๆเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงของกายของใจความจริงท้อมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตานตาบังคับไม่ได้จริงหรอกสุขก็สุขเชั่วคราวนะั่น มันสบายก็สบายชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวหมดเลยนะเป็นหนเป็นสาวก็ชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวแต่ที่เราไปมีสติแล้วาไปรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจเนื่องเงือนะถึงวันหนึ่งเนีจิตมันจะยอารับความจริงมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาดับทั้งสิ้นทุกอย่างในชีวิตเรานี่ยเป็นของชั่วคราวอันนี้แหละตัวสําคัญอันที่เรามาความรู้สึกกายรู้สึกใจนะ ไม่เบื่อไม่ลืมมันคอาดูอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆถึงว่าหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ความจริงเลยทั้งกายทั้งใจในมีตรองไม่เที่ยงของเป็นปุ๊บของไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้จริงหรอกทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปทางกายเกิดแล้วก็ดับนะทางจิตเกิดแล้วก็ดับทางกายเกิดแล้วดับเช่นร่างกายที่หายใจออกอยู่ช่วคราวก็หายไปมีใครหายใจออกตลอดเวลาดีไหมไม่มีนะหายใจออกตลอดเวลาโตาย หายใจออกเป็นช่วงกลางก็ต้องหายใจเข้าใช่ไหมหายใจเข้าช่วงกลางก็ต้องหายใจออกไม่ร่างกายก็เปลี่ยนตลอดเวลาร่างกายเราล่างนั่งตลอดเวลาได้ไหมนั่งตลอดเวลาก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นยืนต้องลงไปนอนยืนแล้วก็อาจจะลงมานั่งอีกยืนแล้วก็เดินเดินแล้วลงไปนอนนี่มไหมนิ่มกันหกล้มถ้ากดต่อตื่นเวลาเดินอยู่ก่อนจะนอนก็ต้องต้องหยุดยืนก็แล้วลงมานั่งแล้วค่อยนอน ในร่ากายเราเปลี่ยนตลอดนะไม่เคยหยุดนิ่งเนะี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วคอยรู้สึกเลยมีแต่ของไม่เที่ยงนะร่างกายนี้มีแต่ความแปลี่ยนตลอดเวลาร่างกายที่ว่าสุกนะสุกจริงไหมพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครยังไม่เก่าว่าหลวงพ่อพูดมากี่นาทีแนละ้วสิบกว่านาทีแนละ้วมีใครยังไม่ได้เก่าเลยบ้างมีไหมมีใครยังไม่ได้ขยับตัวเลยมีไหมนั่งไม่กระดิกเลย แต่นั่งไปไม่มีหลอดใช่ไหมเราขยับตัวตลอดเวลาเลยก็อะไรเพราะปุ๊ความทุกข์มับีบพันุอย versucht, left, no in <silence> ู่ตลาดเวลาทํำให้เราต้องเกลียดยิ่งยากหมไปเรืยต้องขยับตัวไปเรื่อยๆเพื่อหนีความทุกข์เป็นต่อไปแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตเราอยู่กันมาคนละหลายสิบปี้ะบุงคนก็เกือบร้อยปีแล้วอยู่กันมาตั้งนานเนี่ร่างกายเราขยับไปเรื่อยเราไม่เคยดูเลยร่างกายมีความทุกข์เราไม่เคยดู มันเมื่อยขึ้นมาเราก็ขยับอัตโนมัติคันขึ้นมาเราก็กล่าวอัตโนมัติเราไม่เคยเห็นเลยถ้าเรามีสติรู้สึกกายเราเห็นนะกายนี่ถูกความทุกข์เยียดเยียนตลอดเลยไม่ใช่ของดีของพิเศษอย่างที่คิดจิตใจก็เหมือนกันนะแปรเปลี่นตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดียเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่อยมีสติตามดูจิตใจองไปสิจะเห็นกับความแปรเปลีนตลอดเวลาการที่เห็นสั้นแล้วสั้นหนีสั้นแล้วสั้นหมาหนึ่งจิตยอมรับความจริงนะนทุกข์ทั้งหมดเลยนะ ทั้งกายทั้งใจมันก็ทุกข์ตั้งกายทั้งใจมันไม่เชื่ยงทั้งกายทั้งใจมันบัคับไม่ได้หรอกแต่ปรวนตลอดเวลาไม่มีสิ่งที่ได้ว่าตรวตนถารวันเมื่อไหร่วันใดจิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่มีตัวตนถารวันวันนั้นแหละเราจะเป็นพระโสดาบันเคยได้ยินคำว่าพระโสดาบันไหมใครเคยได้ยินให้ขยักหน้าอย่างกุศลยกมือตอนนี้เวลาเรียกมือไม่มีนะ กสทบไม่ใช่บรร ล, ลุกระลาภกสทบก็คือคนอย่ากพวกเรานี้แหละแต่ท่านฉลาดจิต ท, ท่านยอมรับความจริงแลนะสิ่งทด่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปแน่นอนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรพวกเรายังรู้สึกว่ามีตัวตนถาวรรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมนี่คือเราเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเป็นเราคนเดียวกันเราคนนี้กับเราเมื่อวานก็ยังคนเดิมนี่จะรู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยคือความรู้สึกของคุณผู้ชมอนะ มันมีความรู้สึกว่ามีเราถาวร อ, อยู่ตลอดเวลาถ้าเรามาดูกายดดูใจถ้าเรารู้สึกตัวนะมีสติเขารู้กายมีสติเขารู้ใจเขยตามตัวไปเรื่อยๆเห็นแต่ว่าทุกอย่างเกิดระดับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรใชไหมเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะกาที่มีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจรู้สึกบ่อยๆ อ, อย่าใจลอยอย่าใจ้อยพวกเราทั้งหลายมันมนุษย์ทั้งหลายสักทั้งหลายใจลอยตลอดเวลา แล้ไม่เคยรู้สึกกายไม่รู้สึกใจไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้มันลืมตัวเองตลอดจะไปเห็นความจริงของกายของใจได้เขาลืมกายลืมใจตลอดแล้วเราคอยรู้สึกการรู้สึกใแต่นะเพื่อจะได้เห็นความจริงของมันแต่มันมีปัญหาอีกข้อหนึ่งสําสหรับคนที่ค่อยรู้สึกการรู้สึกใจคนที่คอยรู้สึกการๆๆรู้สึกใจเฉยๆส่วนใหญ่เนี่ยนะจะมีปัญหาชอบเป็นเข่งเฉยๆอยู่ที่กายที่ใจ เราไปวาดภาพการปฏิบัติตอาไว้ว่าต้องเพ่งให้นิ่ง <_ d ata> เพ่งกายให้นิ่ง <_ d ata> เพ่งจิตให้นิ่งโดยเฉพาะจิตใจเนี่ยนักปฏิบัติจํานวนมากเลยพยายามบังคับให้มันนิ่งเราต้องการเห็นความจริงของมันซึ่งเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยแทนที่จะดูว่ามันไม่เที่ยงหรือมันเที่ยงมันสุมหรือมันทุกข์มันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาดูปัจจุบัเราต้องชอบไปบังคับไม่บังคับกายก็บังคับใจ นี่บ อ, อกไว้เวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่นะถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจนี้เท่านั้นเช่นเวลาเราจะปฏิบตัติเราจะเดินจกงกรมสิ่งแรกที่พวกเราจะทําเวลาเดินจกงกรมคือวางฟองเอามือไว้ข้างหน้าบ้างไว้ข้างหลังบ้าง <c oughs> เดินบางคนก็มีท่าเดินนะเดินท่านี้ถึงจะดีเดินท่านี้ถึงจะถูกเลยบังคับกายเสร็จแล้วก็บังคับใจน้ําใจให้หนิ่งกับทําให้ดู อย่างนี้นิ่งท่านที่เราค่อยๆเดินเที่เราดัดแปลไปเรียบร้อยแล้วนะเราต้องการเห็นความจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าดัดแปลงกายอย่าดัดแปลงใจหน้าที่เรารู้ลงมาเลยจริงจริงกายเป็นงไงจริงๆใจเป็นงไงคอยรู้สึกเหมือนคอยรู้ไปโดูมัน่าดังน้วอุปสรรคสําคัญตรงนั้ปฏิบัติเนี่ยนะมีอยู่สองข้อใหญ่ๆข้อที่หนึ่งขาดสติลืมกายลืมใจ นะข้อที่หนึ่งขาดสติลืมกายลืมใจเรือที่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปลืมกายลืมใจข้อที่สองมีสตินะแต่กลับไปเพ่งการเพ่งใจไม่ใช่รู้สึกกายรู้สึกใจเพ่งกายเพ่งใจเช่นเรารู้ลมหายใจนะเราสมจิตของเราเป็นแนบอยู่ที่รมหายใจนะจิตนิ่งอยู่กับลมหายใจจิตนิ่งอยู่กับลมหายใจเราจะได้อะไรได้ความสุขได้ความสงบก็ทําสมถะกรรมฐานยังไม่ได้เดินปัญญา วิปั ส, สนาไม่ใช่การฝึกให้นิ่งแต่วิปั ส, สนาเนี่ยฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจเราเห็นความจริงของกายไม่ของใจไม่ได้ถ้าข้อหนึ่งขาดสติรือกายลือใจข้อสองมีสติเห้งกายหเห้งใจเห้งกับรู้ไม่เหมือนกันรู้นี่เมันแค่รู้สึกเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานเราเป็นแค่คนดูทัาตัวเป็นแค่คนดู ตัวกล้างไค่นี้มันทํา ง, งานตัวจิตใจนี้มันทํา ง, งานทำตัวเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปบัตรับมันให้นิ่งส่วนใหญ่เราจะไปบัตรับพอรู้ลมหายใจนะเราสง่งจิตไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจเวลาเราจะดูเท้องอวยุคิแล้วเราสง่งจิตไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องเวลาเราจะเดินจงกรมเราสง่งจิตไปเกาะ อ, อยู่ที่เท้าะจะรู้อีนี้เราปดสีนะเราจิตไปข้างบนนะนนะแล้วก็รอลงมา ในร่างกายเย็นเดินหน้ามั น, านารู้สึกว่าเดินจะรู้สึกแบบแข็งๆตัวแข็ ง, ข ง, ข ง, ขงๆทื่อๆการเพ่งกับการรู้เนี่ยไม่เหมือนกันต้อแยกให้ออกนะคนส่วนใหญ่เนี่ยมันลืมกายลืมใจขาสติแต่นักปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเพ่งกายเพ่งใจไม่ใช่รู้กาย ร, รู้ใจเนี่ยพยายามรู้นะแทนการเพ่งรู้กับเพ่งต่างกันเพ่งเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความอยากก่อนอยากปฏิบัติเพราอยากปฏิบัตินะเช่นเราเคยหัายใจ พยายามปฏิบัติแล้วก็วิจ้องลมหายใจไหมจิตเรากแนบอยู่ลมหายใจแล้วไม่ขยับเลยจิตนิ่งสงบอย่นั้นได้เป็นสมถะธรรมฐานสมถะธรรมฐาน ม, มีประโยชน์เป็นข้อดีทําได้ควรจะทำแต่ทําสมถะกรรมฐานอย่างเดียวไม่พอ้ไม่เกิดปัญญาจะไม่เห็นความจริงของกายของใจในผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะติดอยู่แค่สมถะไม่พอต้องถอดถอนจิตใจเราตัวเองออกมาให้เป็นคนรู้คนดูนะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา มันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งกายกใจจะแยกออกจากกันการจเจดินปัญญาเนี่ยจุดตั้งต้นของการเจดินปัญญาคือการแยกรูปแยกระนาบแยกกายแยกใจออกเป็นส่วนๆมันเหมือนอย่างเราต้องการเห็นความจริงของสิท่งที่เรียกว่ารถยนเราคิดว่าเรายนต์มีอยู่จริงๆเรจาจับมาฝอดเป็นชินช้นๆเราพบ ว, ว่าลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยน ตัวถัง ja. ก mm ็ไ hmm. ม่ใช่รถยนต์นะเกียร์ก็ไ hmm. ม่ใช่รถยนต์ถังน้ำม mm ันก mm ็ไ hmm. ม uh, ่ใช่รถยนต์เราถอดสิ Brooklyn ่งที่เรียกว่ารถยนต์หรอกเป็นชิ Mill ้นๆแล้วเราพบว่ารถยนไม่มีจริงรถยนเป็นภาพโลกตาเนี features, ่ยเรากำลังจะมาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นชิ้นๆิ้นอ่างตอนเรามาเป็นขันห้าเราเป็นธาตุเราเป็นอายุรสนะแล้วแต่ละหน้าทั่วไปที่เรียนกันเรื่องดออกมาเป็นขันห้าหรือรูปกนามกายใจถ้าย่อ วิธีที่จะเราจะปฏิบัติทำรรวิธีที่จะเดินกันอย่างแล้วเราค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวใจใจรอยพอรู้สึกตัวขึ้นมาเราค่อยดูลงไปที่กายเราเห็นเนิ i, ร่างกายที่กําลังหายใจอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยจิตเป็นคนไปรู้มันร่างกายที่ยืนอยู่ที่นั่งอยู่เนี่ยจิตเป็นคนไปรู้มันค่อยๆหักแยกเนี้ยถึงจุดหนึ่ง น, น, นเราจะสามารถแยกได้ว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งใกล้กับจิตนี่เป็นคนละไม่ใช่อันเดียวกัน ของเราเนี่ย ก, กายและจิตโลนรเป็นก้อนเดียวกันนะถ้าทำสมาธิก็ยืดเป็นก้อนเดียวกันหนักขึ้ีกหรืออย่างมากที่สุดนะกร่างกายหายไปก็แต่จิตอันเดียวแต่ไม่เดินปัญญาสองว่างๆสบายอยู่ น, นั่นเองแต่ถ้าอยากเดินปัญญาอยากได้มากผลนิพพานมากผลนิพพานเนี่ยถ้าไม่เดินปัญญาและไม่ทํำวิปัสสนาไม่มีวันที่จะถึงไม่มีวันบรรู้ถึงได้เลยแล้วถ้าอยากได้มากผลนิพพานจริงๆนะคน่อยๆหักแยกกายแยกใจเราเอง ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายที่หายใจออกมันเป็นสื่อที่จิตจะรู้เข้าะจิตอยู่ต่างหากนะจิตเป็นคนดูร่างกายที่หายใจเข้าก็เป็นสื่อที่จิตจะรู้เข้าเป็นของที่จิตจะรู้นะจิตอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะจิตเป็นคนดูนะร่างกายที่ปวดที่เมื่อนะก็เป็นจิตมันเป็นคนดูค่อยๆฝึกแนี้แยกกายแยกใจออกจากกัน ตอนนี้คนที่เรียนตลกพ่อเราแยกตัวนี้ได้นะนับจำนวนไม่ทั่วหนะไม่รู้ว่ากี่พันกี่หมื่นคนนะทำได้อย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยที่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่เกิดมือเราต้องแยกเราคิดแต่ว่าเราทำบุญไปไหว้พระสวดมนต์ไปใส่บาตรไปนั่งราบอาธิฐานไปแล้วมันเดินจะได้ไม่ได้หรอกคนละเรื่องกันถ้าอยากได้มากกว่านี้ผ่านจริงๆนะั่นหมายถึงแยกกายแยกใจเองเหมือนมาต่อเรื่องกหน่อกเป็นชิ้นๆนะวนเพื่อวันหนึ่งจะเด็กนั้นรถยนตดไม่มี เรามาถอดสิ่งที่ได้ว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเมื่อ ว, ว, วันหนึ่งรเราเห็นว่ตัวเราไม่มีเบื้องต้นทำอะไรอย่างนี้นั่งอยู่อย่างนี้นะกาลังนั่งอยู่เราค่อยรู้สึกตัไปที่ร่างกายห ไ, ไม่ร่างกายนี่เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าจิตมันเป็นคนรู้ร่างกายหายใจอยู่นีนใจเป็นคนรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนั่งไปนั่งไปมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาความปวดความเมื่อยแต่ร่างกายนี่เป็นคนละอันกันร่างกายยังอยู่กับที่ไม่ได้ขยับไปเยื่อนเลย ร่างกายทีแรกให้ปวดไม่เมื่อยนั่งไปนั่งไปความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาในร่างกายนี่เราค่อยๆดูแบบนี้นะนั่งไปความปวดขึ้นมาค่อยๆดูไปเราจะเห็นในร่างกายมันก็เป็นอันหนึ่งความปวดความเมื่อยนเป็นสิ่งที่แตกรองเข้ามาทีหลังเป็นโครงร่างกายจิตเป็นคนไปดูกายจิตเป็นคนไปรู้ความปวดความเมื่อยจิตก็ไม่ใช่กายจิตก็ไม่ใช่ความปวดความเมื่อยนี่ค่อยๆแยกนะความปวดความเมื่อยนี่เป็นเวทนาขัน ที่เราแยกได้สามขันแนะขันแรกคือร่างกายและรูกรประขันจิตของเราเรียกวิญญาณขันความปวดความเมื่อยเรียกเวทนาขันแยกขันห้านะพอเวลาเราปวดเราเมื่อยขึ้นมาใจเราแชกกระแสกระสายอยากเกตุียีรยาปดความกระสับกระสายของจิตความอยากเกิเป็นียียาปวดเป็นสิ่งที่แปลกหลอขึ้ยมาทีหลังอีกแล้วตอนมันเกิดก ร, ร, รสรรับกระสายขึ้นมาเราค่อดูรูไปความกระสับกระสายก็เป็นสิ่งที่จิตจะรู้เข้าครามกระสับกระรรสายก็ไม่ใช่จิต พวเราทราบคิดนะว่าจิตกับสรรพสายหรือเรา ก, กรับกระสายถ้าหัานาวนาไปหันแยกท้าแยกขันไปเรื่อยนะเรจะเห็นว่าความกรับกระสายก็ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งแนี่ยค่อยๆแยกนะสิ่งที่ตัวเราแยกออกเป็นส่วนส่วนร่นางกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะ <c oughs> ความรู้สึกสุบรู้สึกทุกอย่างเช่นความปวดค ว, ด ว, ดวามเมื่อยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่กายไม่ใช่จิต <c oughs> ความปรุงแต่งปรุงดีตรุงชั่วเช่นกิเลสโลคหลุดหลงทั้งหลายก็ไม่ใช่จิต จะเป็นอีกสิ่หนึ่งเรียกว่าสังาาาาขารขันแล้วพอเราแยกออกไปสุดแตละส่วนแต่ละส่วนแล้วเราคอมีสติถ้าสติมันราลึกรู้กายและใจเราตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นทันทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตของเราตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วสติะระลึกรู้ความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นมันจะเห็นทันทีเลยว่าความปวดความเมื่อหรือเวทนานั้นก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แตลกปลอมเข้มาเท่านั้นเอง ถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูพอป็นปวดเมื่อยขึ้นมาจิตกระสับกระสายผู้หลอนผู้ร้รายข้นมาเราจะเห็นเลยความกระสับกระสายผู้หลอนผู้ร่ราก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่จิตเลยไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่อยฝึกนะค่อยฝึกแยกขันมาไปแล้วขันแต่ละขันมันจะแสดงให้เห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราเรื่องการเดินปัญญาแนละ้วม่นนีไม่พ้นการแยกรูปแยกนามแบบเนี้ยอันนี้เป็นพื้นๆเลยนะบางคนไปแยกเป็นอายตนะตาหูจมูนกนาจใจอก็ได้ แยกเป็นาธ 18, าตสิบแปดาตุก็ได้แยกเป็นอินทรีย์ยี่สิบสองก็ได้นะวิธีปฏิบัติมีตั้งเยอะแยนะแตแง่ง่ายๆนะหันแยากกา ย, ยากากแยกใจกปแยกจนวันหนึ่งเหตุความจริงเลยกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเร า, เ า, าสังขารที่เป็นภูสนใจภูศนไม่ใช่ตัวเร า, า, เเราจิตเองก็ไม่ใช่เราจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปเลย เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็กลายเป็นผู้ไปเพ่งไปจ้องเข้าไปแทรกแสงสตาวะทั้งหลายหากแยกออกไปแล้แยกขันออกไปทีละขันทีละขันแล้วก็ดูลงไปดูความจริงของมันไปขันแต่ละขันไม่มีตัวเราไม่ใช่ตัวเรามาตั้งแต่แรกแล้วเอการภาวนาเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อรักความเป็นตัวตนนะความเป็นตัวตนไม่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมีแต่หลงผิดไม่มีตัวตนและ้นเราที่เราภาวนากันแค่เป็นแค่ตายเพื่อรักความเห็นผิด สีเนี่ยนั้นทไปเพื่อละการ ท, าทําบาปมังคุษฎอหยาบหยาบทางกายทางวาจาสมาธิเนี่ยทาไปเพื่อละความฟุ้งซ่านวุ่นวายองจิตส่วนปัญญาเนี่ยละความเห็นผิดละความเห็นผิดเมื่อไหร่นี้ใจนี่เป็นเรามีเราอยู่จริงจิงเพราะจับมันแยกเป็นส่วนๆแล้วเพราะว่าตัวเราหายไปแล้วนอจกจากเบแล้จนมันแยกเป็นชิ้นๆแล้วจนก็หายไปพอถึงตรงนี้เราจะเห็นความจริงวตัวเราไม่มี ผู้ที่เห็นความจริงตัวนี้จะเป็นพระโสดาบันนปุถุชนจะไม่เห็นความจริงตัวนี้ปุถุชนจะมีความเห็นผิดตลอดเวลาว่าตัวเรามีดังนั้นถ้าพวกเรารู้สึกนะอย่างนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราตลอดเวลาเลยเราเพราะเรานี่ตลอดเวลาเลยเชื่อจริงๆแล้วมีเราถ้ามีเราก็มีของเราใช่ไหมก็มีเขามีของเขาขึ้นมามีการแก่แย่งมีการช่วงชิงมีความขัดแย้งนานาชนิดเกิดขึ้นมันเริ่มมาจากความมีตัวมีตนเอง ดังนั้นถ้าตอบท้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนนั้วกิเลสจะเบาวางไปเยอะเพราตัวเราก็ไม่มีแล้วจะเอาอะไรนักหนานะมีชีวิตที่พอเพียงก็พอพอดีแล้วนะถ้าภาวนามากกว่านั้นขึ้นไปปัญญากแก่รอบขึ้นไปจะไปอยู่ระดับนึ่ปัญญาเบื้องต้นที่ทําให้ได้เป็นพระโสดาบันนี้ก็แค่เห็นว่าตัวเราไม่มีหลังนะจากนั้นแปลภาวนาต่อไปอีกเราะเห็นเลยว่า ท, ทั้งๆที่ตัวเราไม่มีนะแต่ปทีจิตมันก็มีความอยากขึ้นมามีความยึดขึ้นมาเมื่อไรอยากเมื่อไรยึดเมื่อนั้นทุกเมื่อไรไม่อยากเมื่อไรไม่ยึดเมื่อนั้นไม่ทุกถ้านะจิตมีปัญญ า, านี้นะจิตจะไม่แสบสายออกไปทางตาดวงจูกลิ้นกายนะไม่เที่ยวยิ้วอารมณนะ์จิตจะตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ต้องรักษาเลยมีสมาธิบริบูรณ์นะเพราะมีปัญญาปานกลางอันนี้เป็นภูมิธรรมขอ ง, รของอพรอนาคามี น, น, นั้นเราพาวนากลับไปอีกจนมันจะมาเห็นความจริง จิตนั้นจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดจิตก็เป็นทุกข์โดยตัวของมันเองขันทั้งหลายเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองขึ้นชื่อว่าขันไม่มีกคำมัพท์เลยขึ้นชื่อว่าขันแล้วมีแต่ตัวทุกข์เราเห็นความจริงอย่างนี้นะจิตมันจะสละคืนขันให้ลกไปไม่ยึดถือขันนะจะเวียนขันโยนทิ้งไปเหมือนโยนลงเหวไปเลยสละดทิ้งแต่จิตเป็นอิสระจากขันจิตกล้าออกจากขันจิตเป็นอิสระจากขันขันไม่อยู่แต่จิตไม่เข้าไปเกาะ จิตเมื่อถ้าไปยึดถือเพราะฉั้นไม่ว่าขันจะแตกขันจะดับแล้วขันจะเสื่อมสูญแตกสลายยังไงเนะี่ยจิตไม่ทุกข์ด้วยเลยเฉพาะทุกข์สิ้นเชิงเลยตรงเนี้เมื่อเราไม่ยึดถือกายยึดถือใจนะไม่ยึดถือขันไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกเราจะไม่ทุกข์เราทุกข์เพร า, รายึดพระเจ้าทรงบอกเลยถ้าเรามีนาเรายึดนาเราทุกข์เพราะนากลัวคนอื่นก็มารุกนาเรามีวัวก็ทุกข์เรวัวนะกลัวคนมาขโมยมีรถยนต์ก็กลัวคนมาเอาไป มีบ้านก็กลัวไฟไหม้กลัวเลือกขึ้นนะมีอะไรก็ทุกข์ราะนะั้นมีร่างกายก็ทุกข์เพระร่างกายนะมีลูป ก, ก็ทุกข์เพระลูกนะมีสามีก็ทุกข์เพราะสานีมีอะไรก็ทุกข์เพาะนะั้นแต่ถ้าปล่ยวางแล้วไม่มีอะไรนะคืนให้โลกไปความทุกข์จะอยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่กับโลกไม่เกี่ยวกับเรานะแั่นพวกเรานะบุญนัหนาเราเกิดมาในแกลนตินที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่เรามีพระมหาปัสสัทธ์ที่มี คุณธรับนี่เรามีสิ่งที่ดีที่วิเศษหลายอย่างประเทศอื่นเขาไม่มีอย่างเราเราถือว่าพวกเราทุกคนนะที่เกิดมาในแผ่นดินนี้เป็นคนมีบุญนะนี่เรามีบุญและเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะหรืออยู่อย่างเดียวเอาไปปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมะธรรมะนั้นเอาไปฟังเรื่อๆไม่ได้ประโยชน์อะไรบาคนฟังมาทั้งหลายปีแล้วถามว่าได้อะไร้งสบายใจหรือได้วู่นงาน บางคนนะชอบมากเลยวันไหนมีฟังธรรมะแล้วได้รู้ไม่ต้องทํางานดังนั้นไม่ได้เรื่องนะหลักธรรมะฟังแล้วเราต้องลงมือปฏิบัติให้ได้วิธีปฏิบัติทำง่ายๆนะง่ายเลยรู้ทานใจตัวเองไม่บ่อยๆถ้าเรารู้ทานจิตใจตัวเองได้แนละ้วคนที่ไม่เคยมีสีมันจะมีสีขึ้นมาคนที่ไม่เคยมีสมาธิมันจะมีสมาธิขึ้นมาคนที่ไม่มีปัญญาเห็ความจริงของกายของใจก็จะค่อยๆมีปัญญาขึ้นมา ครบาอาจารย์มาโง่ท่านสอนง่ายๆท่านบอกให้มีสติรักษาจิตเยให้รู้รู้ทันจิตเองไปเวลาที่กิเลสมันเกิดขึ้นที่จิตถ้าเรารู้ไม่ทันนะกิเลสครอบงำจิตได้ถึงจะมีโอกาสทํากิดศีลคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำจิตถ้ากิเลสไม่ครอบงำจิตจะทํากิดศีลไม่ได้นะอย่างความโกรธเกิดขึ้นความโกรธครอบงำจิตได้เราถึงไปฆ่าเขาได้ถึงไปด่าเขาได้ถึงไปตีเขาได้ความโลภเกิดขึ้น ความโลภครอบงำจิตขึ้นไปขโมยก็ได้เป็นชั่วเขาได้เนี่ยหรือเป็นโคหกหลอกลวงเขาได้เราผิดศีลขึ้นมาก็าเราถูกกิเลสึันครอบ ม, มันจิตเราแต่ถ้าเราคอยรู้ทานจิตใจของเราเองนะคอยรู้ทานจิตตจเราบ่อยๆจิตขยับยพยเยามเค่นไหวจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วไปรู้ทันเรอยไอ้กิเลสเกิดขึ้นมาเพราเรารู้ทันนะกิเลสจะดับกันดีดับเอง ทันทีที่สติเกิดอคูศนใดๆที่มีอยู่ใจะดับโดยอัตโนมัติเลยนี่เป็นกฎของธรรมะนะเป็นกฎของธรรมะเลยอคูสนแม่อคูสนจะไม่เกิดร่วมกันงั้นถ้าเรามีสตินะั้นอย่างใจเป็นโกรธขึ้นมารู้ทันนะหรือใจเป็นโลภขึ้นมาเช่นเห็นท่านอำนาจแล้วดูท่านดีอยากเป็นอย่างท่านบ้างอยากแย่งตําแหน่งท่านเลยเนี่ยอย่างนี้เรียกโลภเรามีสติรู้ทันความโลภนี่ตัดไปก็เราก็ไม่ทําผิด สี่ที่เกิดขึ้นเองม่จะเกิดความละอายใจละอายที่จะทําชั่วเกรียดกลัวผลกรราเราได้ยินคําว่ายีโอตปายีโยตปะมามาจากที่เรามีสติรู้ทันใจของเรานี่ยเรารู้ทานในเหตุเหตุ เ, เกิดขึ้นนะเราละอายกใจตัวเองเลยที่จะทำความชั่วมันอายตัวเองแล้วสิมันจะเกิดขึ้นตอลอดตะโูละแล้วถ้าใจเราค้สร้างไปเรามีสติรูท้ทันจิตใจมันฟุง้งซาง ไปคิดไปในทางการเ้างอยากโ้นอยากนี่นะคิดไปในทางพยาบาทเบียดเลีย น, ย น, ยนทำร้ายคนรุ่นตัวนี้ไปเรามีสติความรู้ทันไปหรือสงสัยสงสัยในพตันตนารสงสัยไปเรื่อยเราไมีสติรู้ทันไปเลยกิเลสพวกนี้ดับไปกิเลสพวกนี้เป็นกิเลสระดับกลางเรียวัานิวรมีห้าตัวนะไปหาอาหารเาองถ้าเรามีสติรู้ทันนิวานมิวรดับไปสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ตอนนี้หอนเป็นศัตรูของสมาธิไม่ว่ามีสติรู้ทันจิตแล้วก็มีศีลนะมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองแล้วก็จะเกิดสมาธิใจจะตั้งมั่นขึ้นมนะมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆจะเห็นว่าจิตนะัทุกชนิด น, นะจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่ดีที่ร้ายเกิดระดับทัางๆอันนี้คือปัจจายแล้วเราฝึกไปเรนะื่อยๆศีลสมาธิปัญจจัยเราจะแก่รอบขึ้นเรื่อยๆถึงมันหนึ่งวิมุตต์ก็จะเกิดขึ้นความเบืกอพ้นจะเกิดขึ้น ยังขอวิมุตนะขอกันไม่ได้โต้คงทำด้วยตัวเองนั่นเรียนนะฟังธรรมมาแล้วต้องไปทํานะมีสติรู้รู้ทันใจของเตัวเองเนี้ยบ่อ ย, ยๆเป็นวิธีกรรมฐานที่ง่ายที่สุดรู้จังง่ายยังไงละ่ะแต่เป็นโกรธขึ้นมาก็รู้ใจเป็นโรคขึ้นมาก็รู้ใจเป็นดีใจเสียใจใจเป็นโศกใจเป็นทุกข์คอรู้ทันใจของเตัวเองเรื่อยๆอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปแทรกแซงเราแค่รู้นะศีล ส, สมาธิปัญญาจะค่อยๆแก่รอบขึ้นมาถึงวันนมันแก่รอบพอสมควรแลิมุติ ก็จะเกิดขึ้นเองนี่มันคือความหุดพ้นจิตมาหลุดพ้นจาอาสวะกิเลสที่มันย้อมใจเราได้กิเลสย้อมไม่ได้อีกต่อไปแล้วจิตมาหลุดพ้นจากอาสวนะค่ก็ฝึกไปนะฝึกไปฟังธรรมาพอสมควรมีเวลาเล็กน้อยใครอยากคุยกับหรวงพ่อชวนใครจะถามเชวนขอคนในวังนี้ก่อนได้ไหม รู้สึกพวกที่ยกองเลยนะเป็นพวกพี่คุ้นหน้ามากเลยแล้วแค่แฟนกล่าขอเชิญครับเจ้าเจ้าหน้าที่ของตำหน่งครับขอท่านใจมีคำถามขอเชิญครับลองให้คนนล่าก่อนก็ไดนะ้เพื่อเป็นตัวอย่าง <c oughs> เลืกกันอย่างไรนะ่ะแด้ชักสิบคน มาสิดคำถามครับเชิได้มีคำถามมาเชิครั บ, บเชิญเลยต้องรู้ลลเลยต้อ ง, งนั่นแหละที่กำลังยกโอนแล้วเอาเคุณเพื่อนมาสการหล่ อ, อครับต่างต่างนะแก่แล้วตื่นแล้วามาสการหล่อครับผมมีปัญหาอขอกราบเชิญถามพอะะว่าประเด็นเรื่องอะไรแต่ผ ม, ผ ม, ผมได้ฟังทีวีหลพ่อมาประมาณสปีแต่ว่าในการปฏิบัติ ก็เยนบ้างหายบ้างปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างประกอ บ, บ, บ, บแต่ว่าสองทีมวันี้ที่ได้ฟังทีทีโมก็มีความที่ถามพ่อประมาณสามคำถามนะครับคําถามแรกคือขณะที่ดูจิตกับดูกายใช่ไหมคือมีความรู้สึกว่าบางครั้งเราเห็นการที่มันเป็นทุกข์อย่างเช่นฟังซีดีของพ่อครั้งแรกเห็นว่า ขณะที่เราหายใจการที่มันเคลื่อนใจเห็นกายที่มันขยับเห็นกายที่มันมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งอีกครั้งหนึงที่ปฏิบัติไปจะยืนเขวนแขนหรือเดินไปจะเห็นแวบหนึ่งที่กายที่มันแยกออกจากันเที่เราป้ามันแยกออกแล้วขณะสมงสามวันที่ผ่านมาเราไปปังเขาสัมมนาก็มีความรู้สึกว่าเห็นกายมันขยับการมันสนเมื่อยเห็นความเบียดทุก แล้วคำถามหนึ่งก็คือสิ่งที่ปฏิบัติมาจะให้สุขใจหรือไงแต่เขาคนดูไม่ได้เลยนะดูกายไปเลยเห็นแม้ร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเหมือนปุ่นยต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูอย่างนี้เรื่อยๆไปจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราจิตเป็นคนดูแล้วจิตเองบางทีก็รู้ตัวอยู่ใช่ไหมบางทีก็หลงไปนึ่ออกไหมบางทีก็หลืดตัวบางทีก็รู้สึกตัว แล้วเราก็คอยรู้ันนะอย่างตอนนี้จิตนี้ไปคิดแล้วทราบไหมครับจิตนี้ไปคิดรู้ทันแล้วจิตนี้ไปคิดอย่นี้ไปคิดอีกแล้วทราบไหมครับไปดูกายน ะ, ะดวกายแล้วจะเห็นจิตชัดแล้วไอ้สิ่งที่เราบอ ก, กเลยมเหนม็นความเป็นทุกข์เป็นการพูดเองหรือว่าจิตมัตจนจริงจังจิตมันจริงๆน ะ, ะแต่อยางเห็นไม่พอถ้าเห็นพอเราจะได้ธรรมะแลสมุดส ไม่กรณีใส่นะที่มนุษย์ปกติคนหนึ่งคนหนึ่งจะปฏิบัติได้นะค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมานะค่อยเก่งแต่ถ้ากายมันอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจเป็นคนไปรู้เห็นเบญธนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตมันเป็นคนไปรู้ค่อยๆฝึกแบบนะเห็นกิเลสอยู่ส่วนหนึงจิตเป็นคนไปรู้ฝนะึกอย่างนี้เรื่อยๆไปทีว่าหนึ่งปัญญาเขแจ้งทุกอย่างไม่มีตัวเราเลยอ่าถึงไหนแล้วขออนุญาต เรียถามหลวงพ่อนะครับเมื่อพอได้ใหม่ก็จะมีความรู้สึกใจสั่นครับเมื่อกี้ฟังสิ่งดีของพ่อมาประมาณปีหนึ่งแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อที่ที่ศรีราชาหลวงพ่อก็บอกว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่คิดเยอะใช้ความคิดเยอะนะครับแล้วก็พอกลับมาเนี่ยก็เลยฟังสิ่งของพ่อก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนนี้เนี่ยครับ ที่ปฏิบัติอยู่ก็คือพยายามดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวนันครับอย่างเช่นตอนเช้าเนี้ยเกิดมาความรู้สึกแรกเลยก็คือขี้เกียจไปทางานอนะครับก็เห็นว่ามันขี้เกียจพอสักพักหนึ่งก็กจะรู้สึกถึงความรู้สึกปวดเมื่อยในร่างกายนะครับ ก, กด็ดูความปวดเมื่อยไปแล้วพอลงมาที่ข้างล่างบุกก็เจอว่า ลูกชายเนี่ยยังทําการบ้านไม่เสร็จแล้วทําให้ไปโรงเรียนสายก็เกิดความขกรธความโกรธนี่ยมันแน่นจี้ขึ้นมาเล้วนะครับก็บก็จะเห็นตรงนั้นทุกวันเนี่ยก็จะปฏิบัติอย่างนี้ก็คือเวลามันเกิดขึ้นเราก็ออันนึงที่หลวงพ่อบอกก็คือว่าให้ให้เก็บมือไว้เพื่อให้ดูดูมันไปแล้วก็ก็จะบอกตัวเองว่าเออช่างมันเดี๋ยวดูมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ก็เป็นมันก็เกิดความคิว่าพอ พอไปถึงที่ทํา ง, งานได้คุยกับคนนู้นคนนี้มันก็เปลี่ยนไปครับวิธีการปฏิบัติก็เป็นเป็นแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับไม่ทราบว่าทําถูกหรือเปล่าคุรู้ด้วยตัวเอกไหมว่าถูกไม่ถูกอ่ะคุ ณ, คณเห็ น, ว<ม>นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมก็รู้สึกว่าเรามีความสุขง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เวลามีความทุกข์อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ดูคล้ายๆว่ามันมันก็ไม่ใช่ตัวเราเรามมันจะอยู่แยกห่างนะถ้ามันจะหายออกไปมันจะอยู่ห่างครับ เวลาอะไเกิดขึ้นเรนาก็ทบทวนนะภาวนาทำอย่างนั้นแหล ะ, ะแต่ต้องแยกกันบอกนะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยสับว่ารู้สับว่าเห็นตามรู้ตามตื่เฉยๆไม่เข้าไปแทรกแกแต่รูกไม่ทํากันบ้างเนี่ยสับว่ารู้ว่าเห็นไม่ได้นาะนคนละเรื่องกันนะครับก <laughs> <laughs> ็หาทางให้มันากันบ้าง <laughs> ต แ, ตแต่ในส่วนของจิตใจเราเนีรู้ทัน ที่คนฟีใช่ได้นะใจมันลงรองเบาเต็มผู้รุ่งผู้ขึ้นมาเขุ่แต่เลยหลงไปเลยตอนนี้การก่าว่าการ์ค่ะลูกพ่อก็หนูหนูก็จะไปกลาวลุพ่อที่สวนสันติธรรมศพนับ้านหลายครั้งแล้วที่จะบอกว่าหนูมาจากเชียงใหม่นะคะแล้วก็ครันี้ก็ขอสคันบ้านช่วงนี้ ช่วงนี้เหมือนจะไม่ค่อยได้ทําในรูปแบบเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนจะทําในมีกิจสิทธิในชิตประจำวันเยอะขึ้นนะคะหลวงพ่อไม่พอนะไม่พอใจไม่ตั้งมั่นค่ะรู้สึกไหมเหมือนจะฟู ง, ง่ายคือช่วงนี้่จะฟู ง, ง่ายใชค่ะแต่จะปล่อยให้ฟูหลวงพ่อมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะไม่ในรูปแบบด้วย น, นะค่ะไม่ได้กำลังไม่พอใจไม่มีสมาธินั่นและ ในรูปแบบก็คือการเพิ่มพลังของสมาธิขึ้นค่ะฉันทุกวันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินโยกลมนะการเป็นทางานเลียจริงเป็นทํางานตัวอย่างนี้ทุกวันทุกวันจะได้มีแรงแรน้อยเกินไปอ๋อค่ะได้ทุกหน้าเอาพุ่งป็นเดชปัญญาไม่ได้จริงหรออ๋อค่ะได้ค่ะแล้วป้าหน้าค่ะหลวงพ่อคะเดีขอให้คุณแม่ต่น การบ้านจริงๆนะคะพอดีว่าเ้าไปถามคนที่เขาจัดนะเพอค่ะขออีกท่านหนึ่งได้ไหมคะไหนคุณแม่อยู่ไหนค่ะคุณแม่ตื่นเต้นการเระกาฬนีทางของพ่อก็คือเอ่อโยงปกติก็ปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่าคือจไม่ค่อยจะแบบเอ่อได้ได้ ได้่ได้ไม่ทำงี้เอางี้ให้กันบ้านไฟังซีทีหลวงพ่อบ่อยๆนะเพราะว่าแล้วก็อย่าไปเคร่งจิตให้นิ่งอ่คะเพราะปกติตัวเองจะชอบสมถนามาและนั่นแหละอ่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามที่จะโยงที่จะเดินสายของหลวงพ่อพุทโธภากกว่าก็เลยแบบ จะนิ่งน <bab bage> <ler> ิ่งนิ่งนิ่งนิ่งเลยค่ะนิ่งจนแบบผ่ะผู้โธผู้โธต่อแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยแบบว่านั่งจนตั้งมั่นรู้สี้จิตเปลี่ยงไงรู้ค่ะรู้ว่าวันนี้ได้มา ตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่รู้อย่างนั้นรู้จัยยาคะรู้ว่าวันนี้ขึ้นมาปู่ผิด ใ, ใครก็กรู้คนปฏิบัติเขาก็รู้นะรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังพูดอยู่ใช่ไหมจ๊ะคะเองกำลังพูดอยู่ก็ยังไม่ใช่วิปัสนาอืมเพราะอย่างนั้นห า, า, าก็จะถามหลวงพ่อว่าอย่างกที่อันนี้คือตัวเองเนี่ยค่ะเวลาวันนั้นวนันพีวันหนึ่งนะคะคือ แบบดูตัวเองแล้วทีนี้พอมันแป๊บหนึ่งคือวันนั้นน่าจะทำแบบว่าเอ่อถ้วยที่ล้างอยู่เนี่ยค่ะมันตกแตกปุ๊บเนี่ยฮะทีนี้เราก็แบบแป๊บหนึ่งขึ้นมาบอกว่าโอ้มันก็เหมือนว่าสังขารของคนเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนถ้วยนะเนี่ยนะและทีนี้มันก็วัาบขึ้นมาแล้วก็ทีนี้รู้สึกว่าเนีย่ยโยม หลวงพ่อให้กันบ้านดีกว่าอันนี้ก็คือจะถามว่ามันเป็นอะไรนะให้กันบ้านนะค่ะ<ฆ>โฟะไว้แล้วรู้ทันจิตไปโฟนะพุทโธพุทโธนะพอจิตฟุ้งร้างจิตแอบไปคิดเนี่ยรู้ให้ไหวไหวไวไ ว, ไวขึ้นนะใช่ไหมคะจ็ไปฝึกให้รู้ไหวเ ว, ไวลาจิตแอบไปคิดแล้วพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตนี้ไปคิด<ฆ>แวะรู้ทันพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดแวะรูนะ้ทันฝึกอย่างนี้ไปบ่อยนะค่ะให้คนอื่นบ้าน ให้จับมาตไปทำนะไม่งั้นไม่ไหวหรอกแล้วคุณคให้จิตนิ่งนะคพอเลิกกดเมื่อไหร่จะฟุ้งจะ่จะฟุ้งกว่าคนทั่วไปการนันการพร้อมครับผมได้ปฏิบัติโดยการส่วนใหญ่แล้วเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในหนังสือเป็นส่วนใหญ่ครับอืและครั้งสุดท้าย ประมาณสี่เดือนสุดท้ายครูบาอาจาก็อยู่ในซีดีนะครับคือหลวงพ่ <c oughs> อเขปฏิบัติโดยดูกายดูเวลาบ้างดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นบ้างก็เห็นคื <c oughs> อวันนี้ตั้งใจยาวกันบ้านส่งหงพ่อครับ อ, อยากทราบว่าควรจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรดูต่อไปได้ย่ไปประคองใจให้นิ่ง นะยังตอนนี้กดเอาไว้ดูออกไหมยับงไปกดเหมือนนะมันมันมันสั่นมันตึนต้านกายมันสั่นร่างกายเป็นสั่นดูไปร่างกายที่สั่นอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายเสั่นไปเห็นจิตที่ตื่นเต้นเห็นไหมจิตมันตื่นเต้นได้เองมันไม่ใช่เราหรอเราสั่งมันไม่ได้คอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆนะจิตแอบเป็นคิดสักไหม ครับคไปยคิดไม่เร็วหรอกคอยดูทันนะเวลาจิตมันไหลไปคิดนะรูบ่อยๆแล้วสติมันจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเวลาจิตมันไหลไปคิดเราจะลืมการเลืมใจพอรู้ทันว่ามันไหลไปคิดเราจะตื่นขึ้นมาอย่าหลงให้คิดอีกแล้วทราบไหมเออครับครับไปเห็นว่านะต้อไปฝึกต่อนะสึกรับ มรส ก, การหลวงพ่อค่ะพอดีหนูเพิ่อ ก, ก็เคยมาฟังท่านครั้งแรกนะคะแล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิอื่นที่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนใหม่ๆที่จะเริ่มเนี่ยควรจะเริ่มโดยการนั่งสมาธิก่อนหรือว่าดูจิตก่อ น, นะคะ่ะดูจิตไปก่อนของคุณจริตนิสัยเนี่ยให้ไปนั่งสมาธิมันไม่สงบหรอกเ<ะ>พราะเดินนิสัยใจคอแล้ว เ, เป็นคนช่างจิตนะั้นอีกคิดไม่เลิกเพราะฉะนั้นโอกาสที่ว่าจะนั่งให้จิตสงบแล้วมาเดินปัญญาเนี่ยมันมีน้อย นะวันวันหนึ่งมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายต่อไปนี้สังเกตใจตัวเองคิดอันนี้ไปจิตใจมีความสุขขึ้นมารู้ทันคิดไปเรื่องนี้จิตใจมีความทุกข์ขึ้นมารู้ทันรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นหนูตัวเองนะคิดเรื่องนี้จะน่าโกรธรู้ทันเมื่อใจกําลังโกรธอยู่รู้ทันจิตตัวเองนี้บ่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงนะแล้วถึงวันหนึ่งจะค่อยมาฝึกสมาธิจะฝึกง่ายนะใช้ปัญญานําไปก่อน พเรารู้ทางจิตที่ฟุ้งซ่านรู้ทางจิตที่หลงไปรู้ทางจิตที่โกรธไปอรเงี้ยรู้บ่อยๆนะจิตจะเริ่มสงบพอจิตสงบแล้วน่ะเราค่อยมาทาความสงบกีหลังก็ได้นะใช้ปัญญามาไปก่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะย่งเขาคุจะเริ่มจากสมถธจิตมันไม่สงบง่ายหรอกแ้อย่างวัดนึงนะอย่างเมื่อกี้หนูนั่นั่งฟังเนี่ยหนูก็หลับตาแล้วก็เหมือนกับฟังท่าน ฟังฟังอาจารย์ก็ยังฟังอยู่แต่มันเหมือนเคิร์ฟเคิอย่างเงี้ยค่ะแต่เรารู้ว่ามันเคิร์ฟเคิรอย่างนี้เรียกว่าบุกจีนรึเปล่าครับแต่ก็ยังนเขาได้ยินอยู่นะเขาบอกวันหลับไปแต้ยังได้ยินไม่ไวเท่าได้เลยยังรู้สึกตัวบ่อยๆนะยังแล้วไม่ดีเลยถ้าเชิญต่อไปมีไหมอ่ะแต่วิบากอะไรค้า กา่มสกกาของพนะครับพอดีว่าพ่กุับกยอยู่แล้วก็ทำกิจกรรมมากมาเป็นคนช่างจะปวดเลยนะลืมนะมีหน้าที่เรียนนะไม่ใช่หน้าที่กิจกรรมบริาไว้่อยายพูโทรพโทไปก็ได้นะประจเราเรื่องสุขภางานจะซื้ง่ายดอก เเราพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปนะพอใจนี้พิชิตรู้ทันพุทโธพุทโธใจนีพิชิ ต, ร, ร, ร, ชตรู้ทันนะ<ป>ให้จิตใจเนตั้งมั่นอยู่ับเนระตัวขึ้นมานะการเรียนก็จะดีขึ้นเรื่อยรู้ทันใจที่มันวิ่งไปแต่เชิ่งตลอดเวลาเลยในขนณะนี้เราจิตใจก็วิมงไปที่หลงพ่อเรเวติเี้ยวใจอยากพูดรู้สึกไหมมันมีความอยากดันขึ้นเลยนะบอกปัญหาเกินนดขึ้นไ สตรู้ทันก็จะขาดไปให้รู้ทันจิตใจตัวเองไปแต่ว่ารู้วันนะซ้อมพุทโธพุทโธพุทโธไปนะพุทโธเราก็รู้ทันจิตพุทโธเราก็รู้ทันจิตให้ฝึกอย่างนี้นะแล้วเวลาลมหายใจเอาจิตไปเนี่ยไปทำจิตแนเราหายใจนะเป็นจะเจ้าใส่ลมจะเจ้าอย่างสวนเวลารู้ลมนะจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่ลมนิ่งอยู่กับลม อันนี้ได้แต่สวมองแต่ถ้าเา เ, กกาเป็นร่างกายไี่ไหลใจจิตไม่ไปอยู่ที่ลมหายใจนะจิตรู้ตัวทัลงลง้งตัวรู้ตัวลวกๆรอรู้อย่างสบายๆเห็นร่างกายทั้งตัวอ ย, ตอย่างนี้ยแต่ถึงร่างกายไม่ไหลใจจิตเป็นแค่คนดูดจิตอยู่ตาหาอันนี้จิตจะตั้งมันขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แต่ถ้าจิตหลายไปอยู่บลมหายใจนี่นแต่เคลิมๆลงไม่คิดแล้วทราบไหมเนี่ยใครรู้ทันอย่างนี้นะจิตหลบไปแล้วรวยไว้อ่าไป กระดิกป้าน้ำสกปรกหลวงพ่อคะ่ะคือเป็นโยมเรีปฏิบัติใหม่คะอยากให้หลวงพ่แนะนาว่าพอา <จะ S 1> คุณนั่งเป็นคื่อไหวร่างกายนะป็นทุกกรดิไว้อย่านั่งนิ่งๆ<ม>นั่งนิ่งแล้วจะให้เอาให้เงเนะพยายามเดินพยายามทางานปัด บ, บ้านปูบ้านอะไรเงี้ยแล้วเปลร่างกายเคื่อไหวไปเรื่อยๆสติจะเดินได้ร็วถ้าไปเลืนไปนั่งสมาธิเฉยๆก็ไปคดเครียดออกมา โยมก่อนต้องสัาระหลวงพ่อก่อดูพี่ก็ได้สโยมได้ฟังซีดีจากท่าอาจารย์นะคะได้ฟังมาหน้ามาเกอบวก็ฟังมาเรื่อยๆนะคแล้วก็มีอยู่วันนึงโยมนั่งนบไปรู้สึกว่าวันนั้นโยมได้เห็นแวบหนึ่ว่ามันเป็นอยงในความรู้สึกตัวอะไรอยงแต่ว่าโอมเห็นแค่นิดเดียวนะคะโยมจะอยากเห็นนะถ้าเราอยากเห็นอีกมันจะไม่เห็นนะ แว่าฝึกของเราได้ฟังซีดีไดนะ้เลยะจิตของโยมก็เริ่มตื่ขึ้นมารู้สึกว่ามันเหมือนหลับึื่นขึ้นมาเฉียงแต่ยังค่อยๆตื่นเองคไนะค่อยนอยู่ใช้ได้นะขอบคุณไปฟังซีีก่อนๆนะซีดกีก่อนาะแจกฟรีด้วยวันนี้ไม่ได้พกมนะาแจกเป็นดาวโหลดฟังเราเองไม่ไมีขายเชิๆกนะารนมัสการของพ่อ อยากจะกล่าวยัถามหลวงพ่อว่าบางทีช่วงที่อกะผมเคยเคยนอนฝันนะครับฝันไม่ปรากฏ ว, ว่าสิ่งที่เราฝันมกักจะมกัะกเรเหมือนกับจะ ล, ลุ้งอะไรลุ้งหน้าแต่ว่าจะปรากฏในความฝันสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรพิจิตเร์มันเป็นธรรมชาติรู้นะพจิตมันเป็นผู้รู้พีจมันรู้อดีตรู้อนาคตนี่เป็นเรื่องประิษฐ์บางคนยงเยก็ น, เ, น เ, เป็นเรื่องสัดฟิตรนะแต่ที่สําคัญกว่านั้นงนะองคันนั้นมันเป็นของแถมของจร่ง ให้รู้ความ เ, เปลี่ยนแปลงในกายในใจกเรื่อยๆเราจะได้ของจริงในมันนึ่งต้นาแต่ถ้าเาพาเราประคองจิตให้นิ่งจิตมีความสุขมีความสงบเฉยๆเราได้สมถะก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าปัญญาจะเกิ ด, ดยากของท่านนนะดูกายแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆดูกาย ทีละส่วนอีละส่วนใจโฟมคนเล็กตันด่งเรื่องเอนกระดูกลยได้ดูไปไม่มีตัวเราในกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนไล่ขึ้นไล่ ล, ล, ล, ลงไล่ขึ้นไล่ลงอย่นี้บ่อยๆจิตมันจะถอยออกมาจากการที่ตั้งมั่นสงบอยู่นิ่งๆออกมาทํางานจะมาเห็นความจริงของกายบ่อยๆนะถ้าลอาดูนะเราเราเนี่ยเราจิตกําหนดเราไปนะดูซิผมผมเป็นตัวเราแล้เราสัมผัสดูเลยนะ ผนผลเล็กปันหนังเล่ยขึ้นไล่ยลงอยู่ในร่างกายอยากให้จิตสงบอยู่เฉยเยจิตสงบอยู่เฉยเยได้แต่สมถนะให้จิตออกมาเดินปัญญา<ม>คนวิาพิจารณาอยู่ในกายบ้าต่ไปจิตมันจเคลื่อนไหวแล้วสติให้จระระลึกได้ในตอนนี้จิตเป็นคิดสั้นสั้นไหมจิตเป็นไหลที่คิดแล้วก็รู้ทันว่นไหมี่คิดคอยรู้สึกคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจรู้สึกบาเพื่อวเดินปัญญาจะเกิด มาก่อนที่พานจะเกิดไม่ได้เลยถ้าขาดปัญญาตราท่านสมาธิอี่แล้วท่าสาังเกตไหมความรู้สึกของเรานมัจะกระจายกวา้วางๆออกข้างนอกสึกไหมแต่มจะโล่งว่างสบายอยู่ข้างนอกนะอันนี้จิตมันกระจายออกข้างนอกไปถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันก ว, าวา้างๆออกไปมันไม่ยอมย้อนๆลราดูกายดูใจเพราะนั้นน้อมใจกลับเข้ามาที่กายน้อมใจกลับมารู้สึกการรู้สึกใจบ่อยๆ ถึงจะยอมเจินปัญญาแต่ถ้าเอ่าจิตจะกระจายกว้างจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบมีความเพลิดเพลินนะมันจะติดอยู่ในพบของของความความดีในพบที่สงกที่ว่างที่ดีแล้วพยายามย้อนเข้ามาที่กายรู้สึกบ่อยๆดูไปเรื่อยๆดูให้เห็นทุกข์ให้ได้นะไม่ใช่เราหนาเรามีแต่สุขนะดูให้เห็นทุกข์ให้ได้ถ้าไม่เห็นทุกข์จะไม่เห็นธรรมหรอก พระพุทธเจ้าสอนหลักของการปฏิบัติที่สําคัญเลยคือให้รู้ทุกบอกทุกให้รู้สิ่งที่ทุกก็คืออุปาทานขันขันที่เรามีอยู่ในี่แหละเรียกว่าอุปาทานขันหน้าที่เร า, ารู้ก็บ่อยๆดูไปเรื่อยจงเห็นเลยม่มีแต่ทุกข์ร้อร้อนเลยในการในใจจิตจึงเฉยหย่อนลอยวางก็เห็นแาน่ความเป็นจริงเห็นทุกข์นะจิตจึงเบื่อหน่ายเพเบื่อหน่ายจึงครายกำหนัดคือคลายาความยึดถือแลใครายกำหนัดจึงหลุดพ้นถ้าเราไปเหน็หนทุก เราภาวนาแล้วเราเหลือแต่ความสุขอันเดียวแล้วเราจะให้พลนอะท่านเดินปัญญาให้ยกเลยนะสมาธิท่านดีอยู่แล้วมีไหมมีเวลาห้าหกนาทีธรรมสกานพระอาจารย์าาครับผมก็เคยได้รับฟังซีดีของพระอาจารย์แล้วก็ยพยายามที่จะปฏิบัติตามแนวทางนะครับทีนี้ว่าก็จะมีพระคุณเจา้าอีกหลายท่านแล้วก็ าการคำนวณของอุบสกอุา ส, สิาที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของอาการแยกสมถะกับวิปัสนาอยากให้อาจารย์อธิบายสักหน่นอยะครับสมถะกับวิปัสนาเป็นของที่มีประโยชน์เราเพื่อจะไปสอนนะบอกว่าสิ่งที่ควรทําคือสมถะและวิปัสนาสิ่งที่ควรทําด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถาและวิปัสน า, ามีคำว่าปัญญาอันยิ่งเนี่ยหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่า เราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรเระหว่างทาไม่ลงไม่เบือไปทําอื่นซะก็มีสังคัสเชิงยากรรกับอยู่นั่นเองสมถทานนั้นทําเพื่ออะไรสมาทาน ท, ทำเพื่อให้จิตตั้งมั่นจิตสงบจิตมีเรี่ยวมีแรงวิธีทำำําทํำยังไงจิตของเราปกติเนะี่ร่อนเร็วตลอดเวลาวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้วิ่งไปอดีตไปอนาคตนะตลอดเวลาลเรามาฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ร่อนเร็วไป มีบ้านให้จิตอยู่นะอาจจะอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับการคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงพระพุทธรธรรมพระสงฆ์อะไรก็ได้คิดถึงความตายคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายอะไรก็ได้หนึ่งอย่างหนึ่งให้จิตมันไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่ว่าเมื่ออยู่แล้วมีความสุขเมื่อจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์มันใดแล้วเนี่ยจิตจะไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นแต่ที่จิตของเราร่างเรก่วิ่งหาอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆเพราะจิตมันไม่มีความสุขจริง นิวเนี่ยเองดังนั้นถ้าเราจะทําสมาทานเราก็ต้องเลือกดูว่ากรรมฐานอะไรที่เมื่อเราทําแล้วเนะีจิตใจมีความสุขอย่างของผมนะครับมันหายใจปึกหายใจเด็กหายใจแล้วมีความสุขแล้วเวลาจะทำสมาทาผมก็เห็นร่างกายหายใจนะทำปมมั๊บสงบเลจิตใจมีความสุขเมื่อไร่จิตจะสงบเมื่อ น, นั้นก็เราจําไว้อย่างนะั้นความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิบางคนไม่รู้ว่าสมาธิเกิดจากอะไรก็ไปบงังคับจิต จิตเหมือนเด็กร้นเร่ตลอดเวลาห น, ะนีไปเที่ยวที่โน้นที่นี่นะมันเที่ยวหาความสุขไปเรืนะ่อยเราอยากให้เด็กสงบเรียบร้อยเข้าบ้านไม่หนีไปเที่ยวเราก็เอาขนมไปลอ่อเราของที่มีความสุขไปล่ออย่างชวนเด็กมากินใอศครีนมนะเราอยากไปเที่ยวนอกบ้านเด็กมันมีความสุขก็ไม่หนีไปเที่ยวจิตนี้ก็เหมือนกันจิตเที่ยวหาความสุ ق, ขหรือเที่ยวหิวอารมณ์ไปเรื่อยแต่ถ้าเราเอาอารมที่จิตมีความสุขมาให้จิตจิตก็จะสงบ อ, อยู่ในอารมณ์นั้น พุทโธไปหรือหายใจไปแล้วแต่ถนัดาจิตมีความสุขแล้วจิตก็อยู่อารมณ์หายใจอยู่แล้พุทโธนี่คือสมถะสิ่งที่ได้จนะได้ความสุขได้ความสงบได้ความตั้งมัน่นไม่ร่อนเร่นะส่วนวิปัสสนาเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงสมถะทําไปเพื่อให้จิตตั้งมัน่นนะวิปัสสนาทําไปเพื่อให้เห็นความจริงของอะไรของรูปของนามของกายของใจ แล้วจะทำนิพพานานะต้องมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจดูไปสิจริงๆริกายเป็นยังไงดูไปสิจริงๆจิตเป็นยังไงตรงนี้ที่ผมบอกว่าอย่าไปใจลอยถ้าใจลอยแล้วมันก็รู้กายรู้ใจไม่ได้แล้วบอกว่าอย่ามาเพ่งกายเพ่งใจถ้าเพ่งกายเพ่งใจแล้วตายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงความจริงให้ดูนั้นเรา่อยแค่รู้สึกกายรู้สึกใจปล่อยให้กายให้ใจทำงานมันมีสติตามรู้ไปเรื่อย ไม่นานเราจะเห็นความจริงมันไม่ใช่ตัวเราเหร อ, อย่างโยมฟังซีดีนะมรเกินเดือน2เดือนนะเขาแยกออกแล้วร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราเขาแยกได้แล้วว่าเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนี่ไม่ใช่ตัวเราเขาแยกได้แล้วว่ากิเลส ก, ก็ไม่ใช่ตัวเราแยกออกไปเนี่ยเดินปัญญาเนะี่ยเดินนิพพานนะค่อยๆแยกกายแยกแตแกแกแล้วก็ดูไปแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราดังนั้นสิ่งที่ได้มาก็คือการถอดถอนการทรําลายความเห็นผิด ในการในใจนี้ร่างความเห็นผิดได้ก็จะพ้นทุกข์ได้ความเห็นผิดนั่นแหละตัวหัวโจกของกันหาอาวิชาความไม่รู้ น, นั่นเองงั้นเราทำวิปัสสนาก็เกิดวิชาความรู้ความจริงก็ล้างอาวิชาไปก็พ้นทุกข์ไปงัสมถะทางวิปัสสนาก็องไม่เหมือนกันคนละวัตถุประสงค์คนละวิธีการสมาะต้องการให้จิตตั้งมั่นอยู่ในรมเดียวไม่ร่อนเร่ไปวิธีทํา น้อจิตจะอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขแล้วจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ น, นั้นโดยที่ไม่ได้บังคับถ้าบังคับอยู่ไม่เป็นสมถะวิปัสสนาทําเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจให้คอยรู้สึกอยูที่กายรู้สึกอยที่ใจอย่าลืงกายอย่าลืงใจในขณะเดียวกันก็อย่าไปเพ่งกายเพ่งใจจนเงินนิ่งให้คอยรู้สึกไปเดี๋ยวก็เห็นความจริงแสองอย่างนี้นไม่เหมือนกันแต่เกื้อคุนกันสะนั้นภาษเราก็ไม่จริงนะทำได้ก็ต้องทํา จิตไม่มีสมรรถนะหลังเลยเวลามาเจริญวิปัสสนามันจะฟุ้งซ่าน้วมันจะดูไม่ได้จริงอ่ะจิตมันต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิบานขึ้นมาแล้วมันจะถึงจะแยกตายแยกเวทนาแยกจิตได้ถ้าจิตฟุ้งซ่านมันก็แยกไม่ออกถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิบานที่เห็นในกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งสังขารอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่เรานั่นเป็นเกื้อปูนกั เวลาเดินนิพพานนาไปบทีฟุ้งซ่านแล้วก็กลับมาทําความสะดวกมาแต่สงบแล้วก็ไม่อยู่เฉยไม่ไม่อยู่สบายเพลินนานๆบ้างๆนะกลับมารู้กายมารูนะ้ใจแล้วให้เดินอย่างนี้นะครับเดินสองขาโดินย้อนพระนะครับพระทิ้งสมถะไม่ได้นะเพราะเราเป็นพระเราไม่มีการมาสุขเลยนะอยากกินของอร่อยก็ไม่มีให้กินเนยหน้าหนามนั่นหนาวแค่ตายเลยกีนะบอพระไม่มีคุณพิเศษอยู่ก้อนหนึ่งนะ หน้าร้อนร้น้าหนาวหนาวเน่เราไม่มีการประสม่มีความสุขทางกายแล้วเราทำความสุขออกมานะจิตใจได้มากกว่าจิตใจมีความสุขให้เราอยู่ในสมาธิได้หนาเนี่ยทิ้งไหมทิ้งโวยเฉพาะคราบคราหนุ่มๆนะครับดูไกลให้มากไหมข่มรับฮะไม่งั้นหลักฮะรุนแรงขึ้มาเดี๋ยวก็อยู่ไม่ไหวโอกาสทางอาจารย์พรหมพรมโชธนะครับ ผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับเ อ, อเี็มตัวมาหลายวันแล้วนะครับที่จะมาพบกับครูบาอาจารย์ที่พะรุนะฮะขณะเตรียมตัวพบครูบาอาจารย์นะเวลาเตรียมตัวชคดวยก็คือเออที่ของผมละหลงหลงงานนะครับก็คออือมีความตื่นเป็นช่วงๆนะครับที่ผมนั่งฟังยึดมือช่วงที่ตื่นที่สุดนะฮะก็ ตอนที่ผมมีบุญนะฮะได้ปวดในพระพุทธศาสนาปีสามศูนย์ะฮะตอนนั้นผมได้รับใช้ครูบาอาจารย์นะฮะได้อาบน้ำให้ท่านโน้ตให้ท่านนะฮะซักผ้าักวันธรรมดานะวันธราครับผมตอนตอนนั้นผมผมนึกไปถึงพ่อแม่เลยนะครับที่ที่เขาเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์คงคงไม่ผิดนะครับใช่พ่อแม่ที่ผมไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนก็คุณท่านเพราะ ผมเสียท่านไปตั้งแต่ยังเล็กอยู่นะครับผมน้ำตาซึมตอนนั้นนะครับก็เลยเ อ, อรู้สึกตัวเตื่นขึ้นมานะฮะตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวช้ า, าเกินนะรู้สึกจนจนท่านเสียไปแล้วสมรู้สึกตัวนะฮะทีนี้ <laughs> การบ้านนะฮะการปฏิบัติของผมยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่า ผมพยายามที่จะทําทดีนะฮะเขาเรียกว่าทําดีให้ลูกทำถูกให้หลานะขออออาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางให้ด้วยครับก็ที่ว่ามันทำดีนะทําดีอะไรนะให้ลูกทาถูกให้หลานทํำวิปัสสนาให้ประเองนะอย่าลืมนะหมดแต่เลี้งลูกเลี้หลานพยายามรู้สึกตัวนะดี๋ยวรู้สึกตัวมาบ่อยนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วอย่างตอนนี้จิตวิ่งมาที่อัตมาตัวไหม ดูครับนะเรื่องอยรู้ทันหนึ่งจิตก็จะหนีไปตลอดเวลาหนีไปดูนีไปฟังนีไปคิดเราไปรู้ทันหน่ที่ที่ราองห้นี่เขาเรียกว่าปิติใช่หรืใช่แต่ถ้าปิติเลยคล่องลำจิตได้รู้ทันแลาปิติคล่องลำจิตถ้ารู้ทันแล้วปิติจะแยกจิตเป็นฐานจิตนานแ้ะไม่ถูกปิติครอบงำใช้เกตมให้ขนาดนี้ปิติก็ลงแล้วหรอกนะคือพักนใช้เข็มให้จิตขนาดนี้มีความสุขมากขึ้น ด อ, อกไหมมันสอกมากขึ้นครับนะที่รู้ลงไปรู้ความเปลียนแปลงของจิตนั้เป็นขนาะขนาดรู้อย่างนี้เรื่อยจิตแอบเป็นคิดเย้อนชาติไหมนี่ยรู้ทำอย่างนี้นะันรู้ทำไปเรื่อยไม่ยากหรอกเนะสด็จได้พวกเหานั้นพวกเร า, นะงเราลงปูดสิ้นแล้วสิ้นแะล้วนะถ้าทัดอยู่นะโอเป็นที่พึ่งที่พิเศษไนงะเวลาภาวนาติดขัดนะพึ่นไปกราบไม่ท่านจะถามเลยท่านโจูกัแล้วผมผมเกิดที่เชียเดาวครับนะก็เบลนะกันได้รับแชร์นื่นกันกันเลยนะ ทำไมไม่หัภาวนาก็จะถาระวันครับนะนะภาวนานะถ้าเจ้าอยู่เราาภาวนาท่านภาวนาเก่งด oh ้วย้เราต้องตามท่านนะท่านเป็นแบบอย่างที่วิเศษที่สุดเขากันนะครับได้อีกหนึ่งท่านขอบคุณเจ้าทาที่นะครับแล้วก็กับพิธีการหลวงพ่อนะครับเดือนที่แล้วได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อที่ชนบุรีนะครับหลวงพ่อบอกว่าชอบ ชอบคิดจิตไหลแล้วแล้วก็ติดนี่นะครับก็กลับมาปฏิบัติไ้หนึ่งเดือนรู้สึกมันมันไวขึ้นมันไม่ค่อยเฉยๆยเหมือนเดิมแต่เราอยากจะทราบจากหลวงพอ่อครับว่าก้าวแ้กที่ถูกต้องเนี่ยอยากถามหงพ่ตอนนี้จิตตื่นหรือยังนะครับมันตื่นเต้นจิต พี่ย่าอย่ปกังวลเรื่องจิตตื่นไม่ตืนนต่นนะ เ, เวลาที่จิตตืน่นจิตรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกได้เป็นขนาดขนาด แ, แบบแวบเดียวเดี๋ยวมันก็หลงใหม่ะนะเพราะนั้นมาหลงไปเรารู้หลงไปเรารู้เนี่ยความตื่นนี่ถี่ขึ้นถีกขุ่นนะที่ฝึกมามันก็ดีหรอกแต่ตัง้งฝึกอีกนะเอย่าขีเ้นนะ<ะ>กเกียจนะสังเกตไหมบอกหลพ่อได้ไหมจิตขนาดนี้เป็นยังไงตอนนี้รอฟังหลวงพ่อจิตกระแรงมีอะไรอีกนอกจากเราฟัง กดอยู่ดูออกไหมก็จะคลาบนะเนี่ยให้รู้ทันนะเราเข้าไปแทรกแซงเลมันตื่นเต้นเราไม่อยากให้ตื่นเต้นเราก็เข้าไปแทรกแซงถ้าเกิดการแทรกแซงเนี่ยไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงละให้เรารู้ตามความเป็นจริงตื่นเต้นเราเห็นจิตมันตื่นเต้นไม่ใช่เราตื่นเต้นนะจิตเขาตื่นเต้นดูอย่างนี้โกดธขึ้นมาเห็นจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะ หายใจออกเห็นร่างกายมานหนยใจรอไม่ใช่เราหายใจออกใครดูไปเลยอาขอพ่อช่วยนาสภาวะไปจนจนถูกเนีหลวงพ่อบอกว่าถูกยด้ไหครับเนี่ยตอนนี้ธรรมอยากมันเกิดเราเห็นแล้วอย่าไม่ชื่อยากพูดนะเนี่ยไปสังเกตแล้วทราบไหมโรงติตไปเที่ยวดูาแล้วให้รู้ทางนะอย่าไปบังคับมันเอาคนอย่าไปเปยนไปฟังซีดีบ่อยๆนะแล้วก็ใช้ชีวิตธรรมดาทื่เสี่ห้าไว้ มีสี่ห้าไว้ก่อนนะดีที่สุดตัดจากนั้นให้ใช้ชีวิตธรรมดาตาหูจมูกลิ้การใช้กระทบอารมณ์ให้มันกระทบแปลกพอกระทบแล้วนะจิตเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ให้รู้ทันจิตเฉยเฉยให้รู้ทันจิตยินดีจิตยินร้ายให้รู้ทันตอนนี้แอบไปคิตอยู่ด้าน้ยไหมยืมไปเพ่งนะยืมเพ่งน่อยปล่อใช้แอบไปเพ่งแค่นี้ยังองปักตรงไหนออกนะขาดสมาธิไปไหนนะ เป็นทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบเา่นะพุทโธไปสวดมนต์ไปอรเงี้ยแล้วก็คอยทัจิตที่ไหลปคิดกนได้เนียเดียวะไหลอย่าง้ัับช่เอออย่างี้นรู้ทันอย่างนี้เราทำไปนะพุทโธพุทโธหรือไม่ชอบพุทโธพุทโธอย่างเดียวเราเบื่อพุทโธทำโมสารโธก็ได้ไม่ชอบอย่างอื่นเอาคำอื่ก็ได้บริกรรมไปแล้วก็รู้ทันเวลาจิตจะไหลไปรู้ทานทันจิตจะตื่นขึ้นมา อย่างตอนนี้จิตในฝันรู้สึกหมที่ได้ปคิดเห็นจิตที่อืดอัดไครับโอ้อึดอัดเพ่าะอะไรอยากให้มันเราเป็นโคนนมหมยอยากให้มันดีอยากให้ดีเป็นเหตุการโกงเป็นการกระทําความอึดอัดเป็นผลนะมีกิเลสคืออยากมีการกระทํากรรมคือคงมีความทุกข์เกิดขึ้นนะมีกิเลสมีการมีวิบากมันมุนอยู่อย่างนี้ให้ไปนะรู้เรื่อยๆไปไ น, นะ อ่ะวันนี้เท่านี้แหละต่อไปนะไหนๆก็รับสินไปแล้วนะฟังธรรมไปแล้วต่อไปนี้ลงมือปฏิบัติวิธีปฏิบัติธรรมนะเคยทําประมาญหาอะไรก็ทําไปพุโทโธก็พุโทโธเืคยหายใจก็หายใจไปยดูท้องพองยุบก็ทํำแต่ระวังอันหนึ่งอย่าให้จิตถลันลงไปอย่าให้จิตลงไปนิ่งอย่างบางคนไปพุโทโธก็บังคับจิตให้นิ่งไปรู้ลมหายใจก็ให้จิตเป็นนิ่งอยู่กับลม ดูท้องจิตเข้กาะนิ่งอยู่กในท้องเราปราบทีหนึ่งดูกายมันทํางานดูใจเป็นทํางานทําตัวเป็นคนดูนะต่อไป น, นี้ประมาณสองสามนาทีก็พอทํามากเดี๋ยวก็รู้ให้ให้ทนะําหน้าที่เป็นแค่คนดูดูกายทางานดูจิตทํางานแล้วเดี๋ยวเราพอวนาแล้วเนี่ยถ้าจิตใจเราตั้งมั่นขึ้นมานะแม้แต่แวบเดียวนะเราจะได้บุญที่มหาศาลยิ่งกว่าสร้างปฏิกนะมันก็ชั่ว ช้ากระปดิกหูงูแลบลิ้นแป๊บเดียวเท่านั้ น, นถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นบุญเป็นกุศลอันมหาศาลกับตัวเราเองนะแล้วหลังจากนั้นเราจะช่วยกันน้อมจิตน้อมใจน้วมไหวพระราชกุศลอธิษฐานจิตให้ท่านได้นะอนธิษฐานจิตให้ใน ห, หลวงของเราได้อังเชิญนั่งดูกายดูใจมาทำงานจิตจิตพวเราสงบต่อสมควรแล้วนะ อย่าให้ติดทอนออกมานะนึกถึงก็จะอยู่หวเราบนะอธิษฐานให้ท่านมีลานาม่แข็งแรงนะนมีอายุยืนยาวมีความสุข